การสวดมนต์ผลทางวิทยาศาสตร์การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนแต่ควรรู้หลักที่ถูกต้องด้วยบทสวดมนต์ก็ไม่ต่างกับเพลงเป็นการแต่งคำสรรเสริญหรือนำหลักธรรมะมาย่อป ร, รับรูปประโยคใส่ทํานองให้ท่องจำได้ง่ายการสวดมนต์ที่ดีต้องเข้าใจความหมายด้วย คริสต์อิสลามเขาสวดแล้วเข้าใจโดยเน้นสวดบูชาสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าสวดถวายด้วยจิตที่ให้แต่คนพุทธจานวนมากกลับแปลไม่ออกและสวดเพื่อเอาคือสวดเพื่อหวังบุญขอพรขอโชคลาภและแทนที่จะสวดบูชาพระศาสดากลับไปสวดบูชาเทพผีนางกวักหวังจะให้ช่วยเรื่องต่างๆแต่กลับไม่รู้ว่า การระลึกถึงสิ่งใดพลังสิ่งนั้นจะมาปรากฏอยู่ในใจเราไหว้ผีพลังผีก็เข้ามาในตัวไหว้พระพุทธเจ้าพลังแห่งพุทธก็ปรากฏขึ้นในใจเมื่อทำเป็นประจำพลังจะเข้มข้นอาจถึงขั้นขอพรจากตัวเองได้เลยจะบูชาทั้งทีเอาสิ่งสูงสุดเลยไม่ดีกว่าหรอ สมเด็จโตท่านมีคาถาสั้นๆพุทธังสารนังคัจฉามิธํามังสารนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉา ม, ทา ม, า ม, ามิท่านสวดด้วยจิตแน่วแน่ด้วยขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยจึงเป็นเกราะป้องกันได้แม้แต่คุณใสหรือพูดผีปีศาจบทพาหุงคือการเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าชนะปัญหา ทั้งคนใส่ร้ายช้างตกมันให้ท่องสวดบ่อยๆเพื่อดูเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ท่านกลับชนะด้วยการไม่โกรธไม่ตอบโต้ให้อภัยดังนั้นเราก็ต้องเอาอย่างท่านแต่ทุกวันเนี่ยกลับเผยแพร่ในเชิงอิทธิฤทธิ์ว่าสวดพาหุงสวดมงคลลสูตรสวดอะไรต่างร้อยแปจบแล้วจะชนะทุกอย่าง จะร่ำรวยจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินับว่าเป็นเรื่องงมงายห่างไกลหลักศาสนาจริงจริงวิทยาศาสตรพ์พิสูจน์แล้วว่าการฟังธรรมะสวดมนต์ทำสมาธิมีผลดีต่อสุขภาพคลื่นเสียงจากการสวดไปกระตุ้นต่อมในร่างกายให้ทำงานดีขึ้นกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวดีส่งให้อ่อนเยาว์แก่ช้า ภูมิคุ้มกันการเผาผลาญดีขึ้นผู้ป่วยใช้ยาน้อยลงการรอดตายสูงขึ้นช่วยลดการหลั่งคอติซอลที่หากมีปริมาณมากเกินไปจะยับยั้งการสร้างภูมิคุ้มกันก่อโรคอ้วนทำให้กระดูกผุกติดเชื้อง่ายอ่อนแอและส่งผลเสียต่อร่างกายอีกหลายอย่างอันเป็นเหตุให้เกิดโรคอีกหลายโรคตามมาสมองมนุษย์แบ่งง่ายๆ คือเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1. ส่วนจิตสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดี 2. ส่วนความจำและอารมณ์ 3. ส่วนเล็กสุดเป็นสมองแบบสัตว์เดรัจฉานการเอาตัวรอดกินสืบพันธ์ความเครียดโกรธเกลียดเห็นแก่ตัวทำให้สมองส่วนที่3ที่เป็นสมองแบบสัตว์เดรัจฉานทางานดีขึ้น โตขึ้นจึงมีจิตสำนึกต่ำลงตามลำดับการผิดศีลแต่ละข้อก็ส่งให้เกิดเครียดสะสมและมีผลต่อสมองด้วยเช่นการฆ่าสัตว์ลักขโมยเป็นชู้พูดคำหยาบการกินเหล้าจะกระตุ้นการพัฒนาสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานให้เติบโตและกดสมองส่วนจิตสำนึกไว้เมื่อผิดศีลบ่อยต่อมาจะคิดอะไรเหมือนสัตว์ ห่วงแค่การกินผสมพันธุ์การเสพสุขและเอาตัวรอดนานวันเข้าจะไม่เข้าใจเรื่องบุญคุณศิลธรรมมารยาทเห็นชัดที่สุดในเวลากินเหล้าสมองจิตสำนึกจะถูกกดและปลดปล่อยสมองแบบสัตว์ออกมาเวลาเมาจึงอาจทำตัวไม่ต่างกับสัตว์ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลได้เวลาหิวจัดทะเลาะกัน เศร้าใจร้องไห้เครียดเป็นภาวะที่สมองสัตว์เดรัจฉานทำงานการสั่งสอนหรือลงโทษในเวลาไม่พร้อมจะทำให้ไม่สามารถจดจำคำสอนหรือเข้าใจเหตุผลจนเลิกทําผิดแต่ไม่ทําผิดเพราะกลัวโดนทำโทษเท่านั้นพอเผลอหรือมีโอกาสก็จะทำอีกจะเห็นได้จากพระพุทธองค์เองท่านจะทรงสอนใครก็ยังต้องทรงรอให้เข้ากินอิ่ม นั่งพักให้หายเหนื่อยหรือให้สภาพจิตเขาพร้อมจะรับฟังก่อนเท่านั้นเรื่องของสมองทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าการกระทําแต่ละอย่างแม้การรักษาศีลก็เพื่อคงจิตสำนึกไว้ไม่ให้จิตไหลลงต่ำเท่าสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่แค่เพื่อให้อยู่กันอย่างปกติ หรือเป็นหน้าที่ที่ควรกระทาจิตที่สะสมนิสัยแบบสัตว์เดรัจฉานตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือกฎทางวิทยาศาสตร์ทางจิตที่นำมาอธิบายหลักทางศาสนาได้ว่าทำไมมนุษย์ต้องมีศีลห้าสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานจะพัฒนาโตขึ้นและควบคุมคนคนนั้นได้ ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ให้สังเกตว่าการฆ่าในเกมก็ส่งให้เครียดและเท่ากับสะสมความสะใจที่ได้ฆ่าหรือทำร้ายสิ่งอื่นการขโมยผักใน Facebook ก็ผิดศีลข้อ2ชัดเจนเพราะมีเจ้าของเจ้าของมีการหวงรู้สึกเสียดายเสียใจเมื่อต้องสูญเสียของไป เป็นการเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้กับผู้เล่นที่ชอบและดีใจที่ได้ขโมยสิ่งเหล่านี้ส่งต่อไปยังสมองสะสมนิสัยขี้ขโมยไว้สมองส่วนสัตว์ก็จเจริญเติบโตได้ดีพอในชีวิตจริงจะเริ่มเห็นการขโมยหรือการเอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องปกติเพราะสมองส่วนจิตสำนึกไม่ได้ถูกพัฒนา หรือถูกกดไว้จากการกระทําเป็นประจำของตนเอง <athlete. S 1> mean, การสวดมนต์การฟังธรร ม, มะหรือเพลงบรรเลงการไปทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์อยากไปทําประโยชน์ให้ผู้อื่นจะช่วยปรับคลื่นสมองให้สงบลงลดความเครียดสะสมป้องกันสมองส่วนสัดเดรัจฉานเติบโตทำให้ความจําดีขึ้นมองโลกแง่ดีขึ้น รู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นมองเห็นความจริงได้ชัดขึ้นในคนทั่วไปมักจะมีคลื่นสมองในระดับเบตา้าแต่ในการทดลองเราพบว่าคนประสบความสำเร็จมักมีคลื่นสมองทั้งสี่แบบสลับกันคือเบต้าอัลฟาเทต้าเดลต้าจิตที่วุ่นวายคลื่นสมองที่วิ่งเร็วทำให้สมองหดตัวจดจำได้น้อยลง คิดวิเคราะห์อะไรไม่ลึกซึ้งจะมองโลกในแง่ร้ายหงุดหงิดโมโหง่ายก้าวร้าวยังมีปัจจัยอื่นที่ทาให้คลื่นสมองวิ่งเร็วนั่นก็คือการบริโภคเนื้อสัตว์อาหารย่อยยากของหวานไขมันสูงการอดอาหารก็ทำให้คลื่นสมองวิ่งเร็วและส่งให้เกิดความเครียดสะสมเช่นกัน มีงานวิจัยจากทั่วโลกนะครับยอมรับกันแล้วว่าคลื่นสมองที่สงบลงทำให้เรียนเก่งอารมณ์ดีและไอคสูงขึ้นถ้ามองแง่เนี้ยจะเห็นว่าแค่การสวดมนต์ก็ป้องกันจิตไหลลงต่ำทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถคิดงานได้ลึกซึ้งขึ้นเมื่อฉลาดและอารมณ์ดีก็ส่งผลต่อชีวิตที่ก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน หรือมีความสุขกับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเป็นการยืนยันด้วยหลักวิทยาศาสตร์ว่าการสวดมนต์ทให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงยังมีการทดลองเรื่องผลึกน้ำและออร่าก็พบว่าเสียงสวดมนต์ช่วยทําให้น้ำเกิดผลึกรูปร่างที่สมบูรณ์และเรียงตัวเป็นระเบียบ และเสียงสวดมนต์ก็ยังช่วยให้แสงพลังงานออร่ามีสีที่บ่งบอกถึงพลังงานในเชิงบวกอย่างชัดเจนสำหรับบทสวดที่นำมาทดลองของชาวพุทธเราพบว่าบทพุทธคุณหรือบทอิติปิโสเป็นบทที่ให้พลังงานดีที่สุดคุณดังตรินเคยกล่าวไว้ว่าชาวพุทธเรามีของดีอยู่แล้วกับตัวไม่จําเป็นต้องพกเครื่องรางของขลังอะไรอีก แค่สวดพุทธคุณเป็นประจำก็พอซึ่งครูบาอาจารย์อีกหลายท่านก็ยืนยันว่าสวดบทพุทธคุณดีที่สุดหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยได้เทศสอนให้สิท์ฟังว่าหลวงพ่อเอาแต่ปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอยากได้อะไรก็มีคนเอามาให้แม้แต่เหล็กไหลได้มาเข้าให้ป่าลงน้ำไม่กี่วันก็กลับมาอยู่ในพานดอกไม้ อยู่ลึกเข้าไปในดอกบัวที่กลีบปิดสนิทกระแสความดีเป็นพลังดึงดูดและนำสิ่งดีๆมาให้ได้จริงๆไม่ต้องไปอ้อนวอนขอพอรจากใครทำดีแล้วสิ่งดีๆจะมาเองการสวดมนต์หากมองในแง่มุมวิทยาศาสตร์ก็ส่งผลดีหลายด้านเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องใช้เงิน ถ้าอยากให้ลูกหรือนักเรียนเป็นคนดีนะครับควรเริ่มด้วยสวดมนต์ทั้งเช้าและก่อนนอนให้ได้ทุกวันป้องกันสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานไม่ให้โตและส่งเสริมสมองมนุษย์ส่วนจิตสำนึกให้แข็งแรงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจะง่ายกว่าการมานั่งดานั่งบน่นหรือลงโทษ ด, ด้วยความรุนแรงนะครับทิ้งท้ายไว้อีกหน่อยนะครับว่าการสวดมนต์ต้องสวดแบบถูก ต้องและด้วยความเต็มใจต้องสวดด้วยความเข้าใจจนเกิดปีติผ่อนคลายไม่ใช่สวดจนเครียดเพราะโดนบังคับหรือแปลไม่ออกและบางทีที่แปลเป็นภาษาไทยโบราณเด็กก็อาจไม่เข้าใจนะครับสำหรับเด็กให้สวดภาษาไทยล้วนจะดีกว่าจะก่อให้เกิดปัญญาหรือเข้าใจกว่าสวดแบบงมงายไม่รู้ความหมายและกลับคิดว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ผลดีจากการสวดมนต์ฟังธรรมะ มีได้กับคนทุกวัยเมื่อคลื่นสมองสงบช่วยแก้ปัญหาได้คิดได้ลึกซึ้งธุรกิจการเรียนก็จะดีขึ้นแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับระดับและจริตของแต่ละคนด้วยนะครับ